คำตอบอาจทําให้ผู้ใหญ่หนาวแล้วเริ่มหันมาสนใจเสร็ทีว่าเราจะเอาใครมาแบกรับภาระโลกอนาคตกันก็จะไปเป็นคนอย่งใหญ่ก็ค้นกันไปก็หายกันไปห้นทางก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสยา คุณคิดว่านางแบบเช้าอย่างปารีสฮิวตันมีอิทธิพลแค่ไหนหลายคนคงยักไหลและคิดง่ายๆว่า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 สอนให้ได้อย่างเนี้ยหรือทํานองนี้แหละครับถึงจะแก้ปัญหาของโลกยุคต่อไปได้จริงอย่าจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างคงจะมีห้นทางก็ฝันกันไปอย่าจะเป็นคนสําคัญ คงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโดงจะดังแม้จะล้มก็คิดจะคลานเงือจะสร่านกระเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นยังหวัง จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คนกันไปก็หายกันไปหน้นไทยก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสัยายอมทำทุกทาอ To get h e guy. h m h h To get the guy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.